เแบบนาทีการฟังธรรมะในทางด้านปฏิบ In ัติทั้งผ like, ู้เทศทั้งผู้ฝังมากไม่ค่อยมีคำว่าพิธีเช่นฟังพอบินพิธีเทศพอบินพิธีอย่างนี้ทางภาคปฏิบัติ ไม่นำมาใช้กันสำหรับผู้มุ่งอัดมุ่งทำจริงจริงไม่นำมาใช้แต่ถ้าหากว่ามุ่งต่อโลกาภิษฏิอยู่แล้วอาจมีถ้ามุ่งต่อโลกาภิตก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติมันก็มาขัดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่จริงพูดว่าทางด้านปฏิบัติแล้วไม่มีพิธีฟังพอเว็พิธี เพศพอวินพุทีก็ไม่ีฟังตั้งจะผู้เทศตั้งแต่เทศให้ผู้ฟังได้รับความเข้าใจจริงด้วยเจตนาอย่างนั้นผู้ฟังก็ตั้งใจฟังจริงจริงด้วยความสัารวมระวังจิตใจของตนไม่ให้ส่งไปในที่อื่นในขณะที่ฟังทําความรู้สึกอยู่กับใจของเราเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องส่งจิตกระแสะจิตออกมา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 แม้เขาจะมาขโมยของไปสักกี่ชิ้นกี่ร้อยี่พันอย่างก็ไม่ทราบได้เลยจิตใจที่อยู่กับตัวขณะท่านแสดงธรรมหนักเบามากน้อยจะต้องรับทราบทุกรยะเพราะใจอยู่กับตัวเหมือนคนอยู่ในบ้านถ้าจิตความรู้สึกนั่นได้ส่งไปจากตัวสียการังเพศนไม่ค่ขเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องผลไม้คก็เกิด ในต่กีเลศล่วงเ ข, เขาไปเอาอะไรไปหมดเหมือนกับโจรผู้ผู้ร้ายนั่นเขาไปขโมยของอะไรของในบ้านหมดก็ไม่รู้เราไม่เคยทำจริงทำจังไวทานติีเตียนตูโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกพุทธบริษัททั้งหลาย ว่าเทศคนได้สาเร็จมื่อผลนิพพา น, นสาเหตุยังไงเพียงเทศเท่านั้นหวงังบางคนไม่เชื่อก็มีว่าผู้เทศจะสามารถยังบุกผู้ฟังให้สําเร็จเมื่อผลนิพพานได้แล้วผู้ฟังไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังนี่เป็นความคิดเห็นของคนประเภทที่ลอยลุมคือศักด์แต่ว่าอย่างนั้นทั้งนั้น ถือศาสนาก็าสักแต่ว่าถื อ, ถ, อถามว่าถือศาสนาอะไรถือศาสนาพุทธมันก็มีแต่ชื่อของพุทธเป็นปากเต็มคอแต่ไม่เคยมีธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยขึ้นชื่อว่าพุทธว่าธรรมมาสงฆ์ไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของเล่นไม่ใช่เป็นของพิธีที่พอจะนํามาทําเล่นๆอย่างนั้นแล้วประเภทที่เล่นๆ น, นี่แหละเป็นประเภทที่ทําลายศาสนา ดังที่เราทราบทราบกันทำลายจะมีเจตนาหรือไม่มีไม่สัำคันญเช่นอย่างไม้มันหลุดจากมือของเราลงไปทับเท้าเราเรานี้มันก็เจ็บได้ทั้งทั้งที่จะของไม่มีเจตนาหรือมีดถูกมือเจ้าของโดยมีเจตนาจับฟันมือมันก็เจ็บได้เป็นแผลได้เนี่ยคาพูดที่เป็นภัยแต่ตนศา ส, สนามันก็เป็นได้อย่างอย่างทำลองเดียวกันนี้ ท่านปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติจริงๆเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันไปเลยก็สาวกก็ปฏิบัติจริงๆฟังจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระเมตตามีเจตนาเพื่อสัตว์โลกให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมกลางกำลังความสามารถของตนทุกระยะแห่งการแสดงธรรมพระองค์ไม่ทรงลดละเจตนาที่จะหวังให้สัตว์โลกได้รับ ผลประโยชน์จากการฝังนั้นเลยท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการปฏิบัติที่จะได้าการสรู้ธรรมก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งโลกทั้งหลายไม่มีใครสามารถจะทาได้อย่างพระองค์นี่ก็อาจจะเป็นลบล้างก็ได้ปฏิเสธก็ได้ว่าไม่จริงทาทั้งขนาด น, นั้นไม่จริงเพราะเราไม่เคยทําเราจะาความจริงมาจากไหน เห็นคนอื่นทำแล้วก็คัดค้านเห็นคนอื่นขยันเราพี่เกียดก็ไปคัดค้านเขาตำหนิเขา mm. เห็นเขารู้เราโง่เขาจะหลาบเราโง่ก็ไปตำหนิเขาเราก็ม mm. ีความสามารถอย่างนั้นพ mm. ระพุทธเจ้าท่านทรงสามารถทั้งด้านปฏิบัติสามารถทั้งรู้เห็นเต็มภูมิของพระพุทธเจ้า การประทานอุบาทให้แก่สัตว์โลกจึงต้องประทานเต็มถ้ากำลังสติสัพความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างให้สมภูมิกับความว่าศาสตราอีทของโลกแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยเจตนาอย่างนั้นด้วยแล้วผลไม่เป็นไปตามเจตนาม่นเป็นไปตามการกระทําที่ถูกต้องหรืองามเต็มกําลังความสามารถ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 ในขั้นตกมาสมัยทุกวันนี้ศาสนาซึ่งเป็นของแท้ของจริงของท่านภูิเสด็จวิสสของท่านผู้ทำจริงรู้จริงเห็จริ ง, รงสั่งสอนสัตว์โลกงด้วยธรรมนั้นๆแล้วธรรมเหล่านี้ก็มากลายเป็นธรรมพิธีให้แกิโลกที่เป็นโลกพิธีผู้นับถือจำเป็นพิธีพอเป็นลางๆไปนั้นอะไรแล้วก็เลือนก็ลางก็จางไปหมดปลอมไปหมดเพราะหัวใจพาให้ปลอมหัวใจไม่จริงเสียอย่างเดียวอะไรก็ปลอมไปหมด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 นี่เท่านั้นเป็นหลักใหญ่นี่ชื่อว่าได้ตั้งภาชนะไว้เรียบร้อยแล้วการแสดงธรรมท่าทันผู้รู้จริงเห็นจริงแสดงธรรมจะไม่หนีจากธรรมความคือของจริงของจริงกับของจริงต้องเข้ากันต้องเข้ากันได้ผู้ฟังฟังจริงจริงนี่ผู้แสดงแสดงจริงๆงแสดงด้วยอัตธรรมเป็นข้อเท็จจริงจริงไม่ได้รูปได้คามาแสดง ต้องเข้าใจตามหลักธรรมนั้นๆแล้วทำทั้งหมดท่านมีไว้เพื่ออะไรถ้าเป็นน้ำก็มีไว้สำหรับอาบดื่มใช้สอยสาหรับชพพักพอกหรือชะล้างสีสกรปรกสมมทั้งหลายธรรมะก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะพวกเรามันพวกสกรปรกทั้งนั้นเลยรนาจิตใจที่มีกิเลสเป็นจิตใจที่สกรปรก กายวาจาที่เป็นดวงรังของของจิตจิตที่เป็นดวงรังของกิเลสมันจึงเป็นเรื่องส่ง ก, ปกประจกไปตามๆกันกับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในนั้นท่านจึงต้องหาธรรมหาน้ําที่สะอาดมาตั้งสอนพวกเราคือธรรมที่สะอาดก็คือช่อขาตธรรมตราดไม่ชอบแล้วนี่แสดงว่าสะอาดเต็มที่แล้วนิยานีก้กระธรรมเป็นธรรมที่รับรอง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 ต้องมีวันสะอาดขึ้นวันหนึ่งจนได้จากน้ำสะอาดคือธรรมพระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกทรงใช้ต่อโลกมานานแล้วแล้วได้รับผลเป็นที่พึงพอใจมาเดิมหลักแม้คำว่าสังขังสนังกระฉามนี้เล่าเก่าถึงท่านเพื่อประโยชน์อะไรถ้าไม่ใช่เป็นผู้สะอาดหมดจุดเต็มที่แล้วจากน้ำคือพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าทำสำนักได้จนสะอาด แล้วทำมังสะนังกฉามิซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์แท้ไม่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของเบญจ่าจะออกมาจากไหนพระทัยที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะการชำระการสะสางการขัดเกลากการชะล้างด้วยอัด้วยทำนะัดเป็นความจริงมาโดยลําดับลำดับจนกระทั่งถึงปฏิบันถึงพวกเหล่านี้ธรรมเป็นธรรมชาติที่สะอาดอยู่เช่นนั้นสําหรับล้างสิ่งโสโครปกโสหมองของสัตว์โลกถ้าเราคิดตามธรรมดาของเรา แต่คนเผยดังโลกที่สมมติตัวทั่วไปเขาว่าเราในสะอาดที่สุดไม่มีใครที่หยิ่งยิ่งกว่าคนงโง่ไม่มีใครจะอ่าจะว่าสะอาดยิ่งกว่าคน ป, ปกปบถ้าพูดตามทำแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อเราทราบว่าเราปกปกทางใจที่เต็มไรด้วยกิเลสซึ่งเป็นสิ่งโส ม, มมแล้วเราต้องเป็นผู้มุ่งถ้าอดอต่มทป เ, เครื่อง ชาลามดังที่ท่านทั้งหลายได้อุตสาหสลาละมีร่ำเวลาหน้าที่การงานตลอดทังชีวิตจิตใจมาเพื่อบําเพ็ญตนนี้จึเงเป็นความถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดาเนินมาเียเรียกว่าอริยประเพณีประเพณีของพุทธบริษัทอันที่ดีงามของพระพุทธเจ้าท่านดําเนินอย่างนั้นจึงขอขอบคุณ อ, อนุโมทนากับท่านทั้งหลายไว้นาโอกาสนี้ด้วย คำที่ว่าพวกเราสกรปรกนี่ก็พอจะทราบกันได้คำว่าสกปกสกปกเพราะอะไรที่โลกนานทำให้ดีที่โกรธที่หลงที่สามกองนี้เต็มอยู่บนหัวบนหัวอะไรบนหัวใจนานอันนี้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิติเตียนท่านขายะขยงมาก พวกเราชอบจิงไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่สนใจในสิ่งที่จะ น, นํามาชาล้างเห็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ผู้ถูกยั่วยามีเยอะน่ว่างเพราะความเห็นผิดต้องผิดไปเรื่อยๆอะไรพาให้เห็นผิดถ้าไม่ใช่หัวใจที่เต็มพระดลกิเลสซึ่งเป็นตัวผิดทั้งเพยนั้นพาจิตใจให้ผิดไปด้วยแล้วผัก ให้การแสดงออ ก, ก, กทุกแง่ทุกมุมผิดไปตามๆกันจกนกระทั่งกายวาจาที่แสดงมาผิดไปทั้งนั้นเพราะสิ่งที่ผิดมีอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นไม่ต้องมากมายอะไรเลยตัวนั้นเป็นตัวการพระเจ้าท่านสอนให้ชำระให้ล้างการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการชาล้างจิตใจของตนด้วยธรรมคือในขณะที่ฟังธรรมศาสวนาันไมนิสงอหนว่าะอาให้สงเกิดขึ้นจากการฟังธรรม อนิสงส์ก็คือผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟังนั่นแหละทําให้จิตของเราอย่างน้อยมีความสงบเย็นใจรู้เหตุรู้ผลรู้ทางดีทางชั่วและรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อตอนของตอนพอสําคัญที่สุดก็คือมีความผ่องไสและรับความร่มเย็นในขณะที่ฟังนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพราะการการฟังธรรมท่านบอกมีอนิสงฆ์ห้าผมว่าอย่างนั้น เราจะไปะคว้าอั น, นิสงส์ที่ไหนถ้าไม่เอาในขณะที่ฟังเพราะการฟังก็คือการทำได้เกิดบาเพ็ญเหตุแล้วผลจะต้องเกิดตามมาในขณะนั้นๆมีความสงอบเย็ยนใจเป็นต้นหากว่าที่เละอาชะวะเป็นเหมือนวัตถุเป็นตัวฆ่าศึกเช่นอย่างเสือร้ายเป็นต้นแล้วคนเราจะอยู่ในโลกด้วยกันไม่ได้ มองดูคนไหนก็เป็นเหมือนกันมีแต่เสือร้ายที่มันคล่อมอยู่บนหัวคนแล้วกัดฉีกหัวคนลงไปโดยลำดับนอนอยู่ก็กัดยืนอยู่ก็กัดยืนอยู่ก็ฉีกนั่งอยู่ก็ฉีกอะไรอะไรอยู่ฉีกทั้งนั้นทิยาีความเคลื่อนไหวต่างๆมีแต่ถูกเสือร้ายมันกัดมันฉีกตลอดเวลา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 โรคมันเจริญมันเจริญที่ตรงไหนถ้าพูดตามหลักธรรมความจริงแล้วมันเจริญที่ตรงไหนคนกำลังจะถูกเผาต้องเป็นอยู่เวลานี้แล้วแล้วหาความเจริญมาจากที่ไหนความเจริญก็ต้องคือความสงบสุขความสะดวกสบายความเป็นอยู่ภูวายสะดวกสบายหน้าที่การงานสะดวกสบายการคุกภครสังคมสะดวกสบายอยู่ด้วยการเป็นหมู่เป็นคณะจะมีจำนวนมากน้อยเป็นความสะดวกสบายไม่ ถ้าลาบอกแฝงไม่ฆ่าไม่ตีไม่แย่งไม่ทิงไม่คดไม่โกงไม่กดขี่บังคับไม่รีดไม่ไถซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการทําลายสมบัติและกิจกาซึ่งกันและกันต้าทาจจ์ศิล่านี้จะหมดโลกมีความร่มเย็นนั่นโลกได้รับความสงบสงบอย่างนั้นแล้วทุกวันนี้โลกมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าโลกเป็นอย่างนั้นแล้วผลเป็นอย่างไรทั้งทั้งที่โลกทั้งหลายว่าโลกเวลานี้โลกกาลังเจริญมันเจริญอะไรให้เราดู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 คนนั้นมีความสุขแล้วเหเรือเห็นกิเลสมันช้อนมันชนัมนชยมันกัดมันฉีกอยู่ตลอดเวลาทุกอาการที่เคลื่อนไหวแห่งจิตใจแล้วเจริญแล้วเหรืออย่างนั้นความกัดทั้งมันผลที่เกิดขึ้นจากความกัดความฉีกของกิเลสมันก็มีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นหาความสุขไม่มีแล้วเราความสุขจากที่ไหนย้อนมาดูตัวของเราแม่นก็เป็นไฟภายในจิตใจเพราะกิเลสก่อไฟอยู่ตลอดเวลาอืม ราคะกินนาโทสักกินนามุหกินานั่นสั่งเด็อไฟคือราคะไฟคือโทสักไฟคือมหันไฟคือความโลภความโกรธความหลง ม, ม, ม, มันเผาอยู่ที่จิตใจไฟไม่มาากกว่าจะก่อที่ไหนมันร้อนทั้งนั้นเนี่ยอืงถ้าไฟนี่มันสว่างโพงขึ้นมาภายในใ จ, ใจิตใจอืไฟราคะโทสักมหันมันสว่างจริงสาหรับ ตัวพิเประเภทนั้นแต่เรามืดลงทุกผี่อันต ก, การเลยนะโอนะถาท่านว่าตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่า<ม>โกนุหาโซจิ ม, มานันโนนิตจังปัจิเทสติอันต ก, การเลยนะโอนะถ า, าปฏิปังนะกเวสถะขันเมื่อโรคสานนิวาสนี้เต็มไปด้วยความมืดบนอันตการเพราอำนาจแห่งพิเรศกันหามันแผดเผาอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลาย เพลิดเพลินกันหาเรื่องอะไรนะทําไมจึงไม่รีบหาแสวงหาที่พึ่งมาเพลินตัวอยู่ทําไมกับไ่ายกองที่กําลังโพองอยู่ในกลวงมันแต่เรามืดลงทุกวันทุวันอันนี้นะท่านสอนถึงใจไหมพระพุทธเจ้าสอนโลกถ้าเราจะฟังเพื่อถอดถอนกิเลสมันถึงใจจนหน้าละอายตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ฟังด้วยความถึงใจแล้วทําไม่จิตใจจะมีไม่มีความขระหิ่นไม่ ม, มีความพอใจที่จะแก้ไขทิ่เลตันหาอสาสวะซึ่งมันเป็นไฟทั้งกองอยภายจิตใจของแต่ละคนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วทิเลสทําไมจะไม่หลุดรอยออกไปเมื่อได้ทําลงด้วยความถึงใจเห็นโทษของกี่เลตด้วยความถึงใจเช่นนั้นที่ที่เลตมันจะทนอยู่ได้หรือจากความเพียรของผู้ที่รู้ภายรู้โทษของทิเลตอย่างถึงใจเช่นนั้น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 แล้วเราจะหาผลมาจากไหนมันนีเมื่อมีแต่พิธีเต็มจิตเต็มใจเต็มอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและในงานนั้นๆอิเล่ตมันมีพิธีที่ไหนเวลามันจะกัดฉีกหัวคนมันมีพิธีไหมเราดูสิมันตั้งท่าตั้งทางยกครูยกคันไมอิเล่การแสดงอย่างนั้นชื่อว่ามีพิธี ความโลภมันเกิดขึ้นมาทันทีถึงเมื่อได้โอกาสที่มันจะแสดงความโลภแสดงความโกรธแสดงความหลงแสดงอาการออกมาด้วยกิเลสประเภทต่างๆมันแสดงขึ้นมาทันทีไม่ได้คอยหาพิธีษดีตองเหมือนอย่างพวกเราที่จะฆ่ากิเลสแล้วฆ่าพอเป็นพิธีทํำพอเป็นพิธีมันจะฆ่ากันได้ไหม น, นั่นเราคิดกลัวมากไหมถ้ากิเลสเป็นเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่ง ดูบนหัวใครหัวเราทุกคนมนีแต่เสือรุมกัดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, ด น, นั่งนอนมองไปไหนมีแต่เสือรุมกัดเอาไวยะว่วานจนเจ้าไม่มีเหลือมันกัดมันฉีกไปเต่นั้นมันก็ฉีกไปเรื่อยเดินไปมันก็ฉีกกัดไปเรื่อยอย่างเราจะดูได้ไหมดูไม่ได้เลยอแต่นี้กิเลสมันไม่เป็นตนเป็นตัวเช่นนั้นมันกัดมันฉีกอยู่ภายใน แล้วยังเรายังนอนเคิมให้มันกัดมันฉีดอย่างสบายไปอีกนั่นนะแล้วจะหาทางแก้กิเลสได้อย่างไงเมื่อไม่ทราบว่ากิเลสและไม่ทราบความกัดของกิเลสไม่ทราบถึงความทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมาบนหัวใจแล้จะหาทางแก้ไขกิเลสได้อย่างไรอันนี้แหละที่มันไม่ทันกลมายาของกิเลสเราจึงต้องยอมมันด้วยด้วยไป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 ทำพอเป็นพิธีเฉยๆรักษาศีนก็พอเป็นพิธีแต่เวลาจะร่วงล่วงศีนไม่ไม่พอเป็นพิธีมันร่วงจริงๆให้ขาดจริงๆสะบ้านประหมดภาวนาก็พอเป็นพิธีแต่เวลาคำง่วงมันจับตัวเข้ามามันครอบเข้ามานี่ล้มตูมจริงๆไม่ได้ไม่ได้นอนพอเป็นพิธีเี่มันนอนจริงๆหลับก็ดก็เหมือนคนตายโดยมันเป็นพิธีไม่เวลาสิ่งอย่างนั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เวลาจะบําเพ็ญธรรมมันพอเป็นพิธีพิธีนี่แล้วมันไม่ทันเหตุทันการไม่ทันกับกลมายาของกิเลสจึงต้องยอมเป็นคนอาภาพของกิเลสให้กิเลสย่ำดีขู่รีดอยู่นั่นกดที่บังคับอีกทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนทั้งพบทั้งชราบ ต, ตลอดกับตลอดกันยังไม่สามารถจะทราบได้ว่าวันไหนเราจะพอทราบเงาของกิเลสบ้าง ถ้ามันทําเราด้วยวิธีใดบ้างมันมีเงาบางไม้ที่เดชทําเราพอถ้าไม่เห็นตัวมันพอเห็นเงามันก็ยังดีเห็นอย่างเขาตั้งหมัดตั้ง ม, งมวยเนี่ยมองเห็นเงาเขาก็ยังน่าดูอยู่ไม่เห็นตัวคนเราไปมองดูเงามันก็ยังน่าดูแตนี้ไม่เห็นจนกระทั่งเงาของกิเลชฆ่าคนทําลายคนเบียดเบียนคนทรมานคนกคตขี่บังคับคนแล้วเราจะไปแก้กิเดชได้ที่ตรงไหนเมื่องเงาก็ไม่เห็นเลยไม่ต้องพูดถึงตัวทิเดชนี่ อ้าวพี่นี่เพื่อให้รู้เพื่อให้ทราบเงาของมันและตัวของมันแล้วตรงกําหนดความรู้คือจิตสติเป็นเครื่องกํากับเข้าสู่ภายในกายในใจของตนหูจะออกไปรับกับเครื่องอะไรเจ้าของของหูมีคือความรู้สติมีปัญญามีมันออกไปก็เท่ากับเรื่องอะไร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 ทั้งเงาของกิเลสทั้งตัวของกิเลสว่มันมาด้วยเหตุใดผลใดมันมาด้วยอาการอะไรผู้ที่ออกต้อนรับคือเรื่องจิตใจของเรามันออกต้อนรับกิเลสยอมรับกิเลสก็ดีมันยอมรับก็เหตุใดเราจะทราบในขณะนี้เมื่อเราทราบแล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดับดับเท็จอา้าวตั้งสติลงที่ตัวรู้คือใจนั่นแหละตัวขนองอยู่ตรงนั้น ทำไมใจจึงผนองเพราะยิเลท้ายผ่อนอทาให้ดิ้นกวัดแปลงจะแสดงขึ้นมาจากตุนนั้นเมื่อมีสติแล้วจะรู้ความกระเพื่อนของจิตเบื้องต้นเรากําหน ด, ดให้รู้อย่างนี้แล้วพยายามกําหน ด, ดให้รู้แล้วมีบทธรรมเป็นเครื่องกํากับออหรือว่าไม้ค่อยตีอออาศัยไม้คือบทธรรมบทนั้นๆควายกํากับไมให้มันโผลขึ้นมาได้ตีด้วยบทธรรม ให้ถีบยิบลงไปเช่นพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นแล้วจิตจะมีความสงบเมื่อสงบแล้วจะเย็นลงไปเย็นลงไปสงบแน่วลงจริงๆริงนานแหละคุณค่าแห่งความสงบจะเห็นประจักษ์ในขณะเดียวกันจะเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านของจิตว่าต่อความทุกข์ให้เรามากน้อยเพียงไรเพราะความฟุ้งซ่านนั้นๆนานนี่เป็นสาเหตุที่จะให้เราทราบในวาระต่อไป ของที่เหลือประเภทต่างๆนี้เราพอทราบแล้วว่าเงาก็พอทราบหรือว่าตัวก็พอทราบแล้ว <c oughs> ความฟุ้งซ่านเราก็ทราบละทิ้ว่ามันเป็นไผ่ความสงบเราก็ทราบว่าเป็นคุณแล้วจะสงบได้โดวยวิธีใดเราก็ทราบวิธีการที่ทําคือภาวนาด้วยความมีสตินี่เมื่อเราทราบในเมื่อนหนึ่งแล้วต่อไปเราก็จะทราบไปโดยลำดับเพราะสติย่อมมีความแก่กล้าขึ้นได้และเมื่อได้รับการบํารุงส่งเสริมอยู่เสมอ ปัญญาก็สามารถได้เฉลียวฉลาดได้คนรานี่ไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาถึงคราวฉลาดฉลาดถึงเวลาจะฉลาดฉลาดได้ถ้าจะของสนใจเพื่อความฉลาดนอกจากจะนอนอยู่เฉยเหมือนหมูอยู่ในตมในโคนเท่านั้นจะหาความฉลาดไม่ได้จนกระทั่งวันตายจะตลอดกับตลอดกันจะจมอยู่ในวัฏสงสารตลอดไปเพราะความโง่พาให้จบผู้เราจะไม่ ไม่ใช่ผู้ต้องการจะจมเพื่อความโง่เท่านั้นเรามาส่แสวงหาความฉลาดเพื่อจะปลดเครื้องความโง่ของตนให้ดีขึ้นจากจมจับคนทั้งหลายคือรรกิเลสทวารประเภทต่างๆกลายเป็นอิสระเสรีขึ้นมาเราต้องทําความพยายามให้ทราบแบบนี้จิตสงบด้วยการบังคับด้วยความมีสติโดยอาศัยบทธรรมเป็นเครื่องกำกับ เป็นผลขั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วถ้าจะเรียกว่าขั้นแต่คําว่าขั้นนั้นขั้นนี้กอไม่อยากจะเรียกให้เสียเวลาสงบหรือไม่สงบมันก็ทราบภันในตัวเองเหมือนอย่างเรารับทานอาหารมันถึงขั้นไหนแล้วเวลานี้เราก็ไม่เห็นถามกันนี้นะเริ่มรับทานเบื้องต้นนี้สําเร็จขั้นไหนไม่เห็นว่ารับทานไปรับทานไปจนกระทั่งอีมันรู้เองไม่จําเป็นจะต้องเอาขั้นเอาภูมิไปใส่ของ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 อ้าวเราจะพิจารณาแยกแยกทั้งเหตุผลต่างๆถึงจิตมันไปเกี่ยวข้องติดพันกับเรื่องอะไรเือนกลายเป็นไฟขึ้นมาเผาตัวเองก็จะทราบทั้งร่องรอยและตัวเหตุตัวผลของมันอีกด้วยจิตมีความรู้อันเดียวเท่านั้นสติมีความระลึกและดับไปดับไปเรียกวสติปัญญามีความตอดสองความให้ครวน ค่ายควรก็ค่ายควรเรื่องของตัวเองนั่นแหละเห็นอันนี้จังนะท่านว่านี่เป็นแผนของปัญญานะนะทุกขังพราตานี่เป็นแผนเป็นแนวทางเดินของปัญญาจึงเรียกว่าหินรับปัญญาพิจารณาเรื่องอันนี้จังมันเป็นอนไรนจังนี้มันใตรตรองไปเรื่อยเรื่อย นับจากชิ้นหนึ่งถึงสองชิ้นสามชิ้นจนกระทั่งรอบตัวและรอบโลกภพแต่และอย่างอย่างเป็นอนิจจังทั้งหมดนี่ทราบซึ้ด้วยปัญญาเมื่อได้ทราบชาัดด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดแล้วเราจะไปนอนใจตายใจติดกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไงทั้งๆที่เรารู้ว่ามันเป็นอ น, นิจจังอย่างประจักษ์ใจนี่การพิจาร ณ, ณทาทำให้ประจักษ์ใจเป็นอย่างนี้ทุกขังก็ทราบไลยมันแสดงในตลอดเวลามันเป็นภไยจริงๆ ทราบแล้วมันจะไปชินกับความทุกข์ด้ยางไหไม่เคยชินไม่เคยได้ยินว่าใครชินกับความทุกข์ถ้าเราอย่างอยากรู้ทัดๆก็เอามือจ่อลงไปในไฟดูสิมันจะชินไหมเราอยู่กับไฟมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งตอนนี้มันชินนะกับความร้อนที่จะทําให้เราทุกข์นั้นนะ่ะไม่ชินพอมือจ่อลงไปปั๊บเนี่ยมันจะโดดทันทีมือปัอ๊บทันทีย้อนกลับทันทีะ กระตกตัวเองทันทีเพราะความร้อนมันแผดเผาทนอยูไม่ได้นั่นมันชินเหลืออย่างนั้นเนี่พิจนาท่านเห็นชาติด้วยปัญญาถึงใจอย่างนี้คาว่าอนัตตามันก็ฟังต้อมันว่างไปหมดนี่เราเฉยก็เฉยว่านั่นเป็นตัวนั่นเป็นตนนั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลแม้แต่ก้อนธาตุที่อยู่ในร่างกายเหล่านี้มันก็ว่างจากความเป็นตนเป็นตัวอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันแต่เรามาเสกก็มันเป็นก้อนเป็นกลุ่ม แล้วก็รวมจากนั้นก็ว่าเป็นเราเป็นของเรานธรรมชาติจริงๆแล้วอนัตตามันว่างจากความเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เนุคหมไปหมดแล้วโดยหลักธรรมชาติขณะที่เจนะให้เห็นตามหลักธรรมชาตินี้จิตจะได้ถอยตัวเข้ามาจากความรู้หลวงนั้นๆแล้วปล่อยความกังวลได้ในสภาวะตั้งหลายซึ่งเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาทราบโดยทางปัญญาทราบอย่างนี้ จิตเมื่อได้ถอดถอนตัวหรือได้เปิดเผยหืฟื้นสิ่งปิดปังทั้งหลายโดยความรู้ชัดว่าสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นในจังตัวกาศาศาลางตาแล้วทําไมจิตจะไม่โลง่งทำไมจิตจะไม่สว่างสวยทําไมจิตจะไม่เบาทําไมจิตจะไม่อัศจรรย์ทำไมจิตจะไม่ผ่องใสเป็นสิ่งที่น่าประจันต้องเป็นอย่างแน่นอนไม่สงสัย ที่จิตไม่จะแดงความอมาาันจะให้เจ้าของเห็นเลยก็พ่อมีแต่สิ่งกประกโสมมที่หาคุณค่าไม่ได้มันครอบจิตอยู่ทั้งหมดจิตจึงกลายเป็นนักโทษทั้งดวงนั่นก็มีคุณค่าที่ไหนเมื่อวันเป็นนักโทษทั้งดวงเพราะธรรมชาติที่เป็นโทษมันอยู่กับจิตที่เหลทั้งหลายนั่นแหละมันเปิดออาไปเปิดเอาไป อ, าไอุปทานความยึดมั่นถือมั่น เปิดเคยตัวออกไปโดยลําดับลำดั บ, ดบความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตความเป็นลักษณะของจิตในอีกขั้นหนึ่งนั้นไม่ต้องถามเบาวิวอยู่ที่ไหนพืน้นเบาไปหมดแต่ก่อนเคยแบกนอนก็แบกนั่งก็แบกยืนก็แบกแบกจริงนั่นแนหะแบกอุปท า, านความหนักอืภูเขาทั้งลูกมันใหญ่มันโตมันหนักเราเไ่้เคยแบกบ้างแล้วเหรือภูเขาเราถึงจะทราบมันหนัก อแล้วไม่เคยแบกเราจะไปหานพูดเลยดูตัวมันที่มันหนัหนกคือเบนจะขันนี่หนะเอีมันหนักที่ตรงนี้อืมยิ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วลุกไม่ขึ้นพอคนอื่นช่วยพยุงช่วยก็เจ็บอีกหนักเขาอีกด้วยการเจ็บการปวดในอวัยวะต่างๆนั่นมันทั้งหนักทั้งเจ็บทั้งปวดเลยเพิ่มไปเรื่องหนักไปหมดนี่แหละตัวหนักจริงๆท่านถึงว่าพาราหาเวปัญจักขั่นถา ภาระอันหนักจริงๆก็คือเป็นจะขานนั่นถ้าไม่ได้บอกว่าภาระอันหนักจริงๆคือภูเขานะท่าไม่เห็นว่าอันนี้แล้วพิจารณาเห็นจริงอย่างนี้อันนี้แหละเป็นเครื่องทับจิตใจของเราพิจารณาให้รู้ในอาการทั้งหา้านี้มันคือไตรลักทั้งนั้นอเราจะไปอาจหานจะไปเอื้อมจะไปจับจะไปยืดจะไปแบกมันหนกักเอถ้าไปแบกมันหนกักถ้าปลวยเสียมันก็เบาล่อยด้วยปัญญาให้รู้ธาตุตามมันจริงนะะ เพลินีนอ่ามีความรื่นเริงบันเทิงดูที่ไหนรื่นเริงอยู่ในป่าในเขาอดอีมเป็นตายอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงธรร ม, มปีติสุขขังเสติผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอันนี้ยังหยาบตาะเมื่อถึงเข้าถึงขั้นนั้นแล้วดูะจะว่ารห้ละเอียดถึงภูมินั้นธรรมธรรมก็มีหลายขั้นอ้าวถูกต้องอ่ะ ทำขั้นนั้นปิติในทำขั้นนั้นแต่ปิติอยละเอียดเช่นเดียวกันะมีความอยู่เป็นสุขนอนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขยืนเดินอะไรเป็นสุขทั้ง น, นั้นอดอี่มเป็นสุขสบายเปหมดหมดความกังวลหมดภาระเป็นเครื่องกดทุง่งจิตใจอ่าเอ า, เ, อาเพื่อมันสิ้นซากไปให้หมดไม่มีอะไรเหลือต้นไม้เราตัดติ่งตัดขั้นตัด ต้นมันออกหมดเอายังเหลือหัวตอถ้ากแก้วเราลอยขุดค้นมันขึ้นมาเอาเผาไฟเสียให้สิน้นทรากไปเสียหมดเท่านั้นต้นไม้ต้นนั้นไม่มีทางเกิดได้อีกเลยเออจิตก็เหมือนกันถอนหน้าแก้วมันซึ่งอยู่ภายใจิตท่านเรียกว่าอภิชามันปล่อยอะไรเลยหมดแต่ตัวห้องเจา้าของก็มาอัศจรรย์อ้อยอิ่งอยู่กับความ ถ้าพาเผยความละเอียดละอ่ซึ่งตุนเลิมของกิเลสประเภทละเอียดพริกณ า, าเต้าอีไข่พอนี่ก็คือกองไกรรับอีกเช่นเดียวกันอย่าถือว่าเป็นเราเอ้มันเราอะไรนี่คือกองในจังทุกของหน้าตาตัวกิเลสตัวภัยยังมาเป็นเราอยู่เหรอออความปองใสที่ควรจะผ่านไปได้ถือไว้ทํำไมนั่น อันนี้ก็คือกิเลสประเภทหนึ่งนี่เวลาย้อนเข้ามามันไม่มีราพิจารณาจริงมันก็ต้องย้อนเข้ามาพิจารณาถึงทำถึงทำขั้นละเอียดถุกสัสบเบ ธ, ธรร ม, มานาลังอณิเวซายะด้วงอันนั้นทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่นจุดสุดท้ายและสับเบ ธ, ธรร ม, มานาตาทั้งปวงนี้เป็นอน้าตาทั้งสิ้นนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วน ย, ยาส่วนละเอียด ความปองสายความเศร้ามองอะไรทั้งหมดที่มีอยู่ภายในจิโดยเฉพาะเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนั่นพิจารณาอีกทีเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายเป็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงที่ไม่ควรถือมั่นก็สิ่งอันนี้เองที่ไม่ควรถือมันอ่ น, น, ท, อนทอเต็มที่เต็มภูมิปัญญาและศาสตรภาพเดียวหมดเมื่อสมมติ โดยประการทั้งปวงไม่ว่าอย่ากลางละเอียดได้สิ้นสุดไปจากใจแล้วปัญหาอะไรที่จะมีอีกต่อไปไม่มีหมดนั่นล่ะท่านผู้หมดทุกท่านหมดอย่างนี้นี่แหละคือผู้เหนือพิเรพพิเลพ จ, จะได้มากัดมาฉีกเหมือนเสือโคร่งตัวหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นอันว่ายุติกันเพียงเท่านั้นเออถูกฆ่าหมด ถ้าจิบหายไม่มีเหลือเลยที่เหล็กทุกประเภทจึ่งเปรียบเหมือนเสือโร่งฆ่าด้วยสติปัญญาอันแหลมคมคือมหาสติมหาปัญญาซึ่งทราบทั้งหมดเฮ้อเสรษฐอมตะธรรมโดยหลักธรรมชาตินี่คือผลใงการปฏิบัติอันแท้จริงอย่างแท้จริงเป็นอย่างนี้เพราะทำเป็นธรรมชาติที่ถึงใจของสัตว์โลกทำเป็นของจริงผู้สอนจึงสอนด้วยความจริง ผู้ปฏิบัติปฏิบัติจริงจริงอยางจริงฟังจริงจรงอางแก้กิเลสตัณหาสวาซึ่งเห็นว่าเป็นภัยเห็นอย่างจริงๆแก้อย่างจริงจริงก็พ้นได้อย่างจริงๆอย่างนี้ไม่เป็นอื่นเพราะสัวนอคติธรรนั้นท่านเรียกว่ามัชชิมาทันต่อเหตุการณ์ที่ตลอบเวลาไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดของกิเลสที่แสดงขึ้นมามัชชิมาปฏิบัติธเป็นอาวุธที่ทันสมัยฟาดฟันกิเลสให้แหลกกระจาดไงหมดไม่มีอะไรอยเหลือเลยท่านจึงเรียกว่ามัชชิมาเหมาะสมที่ตลอดเวลากับการ แค่กิเกลสกองทุกข์ที่มีอภายจของตัดก์ตามเตือนคำก็เห็นมาสมควรจรงขอได้ติบจากัน